เรื่องของจิตล้วนๆเลยนะไม่ได้พูดถึงเรื่องข้างนอกตัวแต่เราตั้งหลายก็เอามาเป็นการสวดศพคิดว่าจะให้บุญให้กุศลแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจคือเขาอยากให้รู้จากความจริงของจิตว่ามันเป็นยังไงนั่นแหละแต่เราก็นึกว่าจิตวิญญาณมันจะมารับส่วนบุญอะไรประมาณท่านพูดถึงเรื่องอารมณ์วิปัสนาเรื่องจิตเนี่ย เวลาทำบุญห้ี่วันร้อยวันเลยเขาสวดวิปัสนาภูมินะแะวิชาปจิยาสังคาราสัก จ, จารปจิยานามารูปังนามารูปปจิยาสลาจตนะสลาจตนะปิภัสโซัสสะ ป, ปิยาคือเขาจะพูดแต่เรื่อ ง, องพวกนี้ยบางทีก็สวดแจงยันเตนาภควตาจันตาภาษาสวดแจงสวดวินัยสวดโน่นสวดนีนนน่นะคือพูดถึงเรื่องคําสอนของคุณเจ้าเรื่องเกี่ยวกับกับารแบดบดับทุกนี่แหละแต่คนมันไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจในเรื่องหลักของการปฏิบัติมันเลยแขวะออกไปข้างนอกแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะทราบซึ้งกับบทเรียนบทสวดบทอะไรที่เรานำมาสวดเนี่ยเรื่องขันห่าปัญจขันธารูปขันโดเวทนาขันเวทนาขันสัญญาขันสังขันขันวิญญาณขันพวกขันคือใจเราเองใจเราเนี่ยเป็น เวทนาสัญญาสังขารขันร่างกายนี้เป็นรูปขันร่างกายกับจิตใจมันก็มีสองขันนั้นนั่นแหละมีรูปขันกับนามขันรูปประขันนี่ก็เกิดดับตามเหตุปัจจัยนามขันเนี่ยก็เกิดดับตามหลักตามเรื่องของอวิชชาถ้าเร า, าวิชชาเราเยอะการเกิดดับมันก็ช้านะเพราะมันติดอยู่กับความปรุงแต่ง ฐานอาศัยการศึกษาการเฝ้าดูและลึกรู้ดูว่าขันห้ามันทำงานยังไงอ่ะธาตุสี่มันทำงานยังไงมันเป็นธรรมชาติมันใช่ไหมควรแล้วหรือที่เราจะมายึดเอาว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวตนของเรารูปที่มันเกิดมันจะมีนะรูปที่เกิดในใจเรามันมาจากอดีต อตังนาะตะปัจจุปนังอจจะตังวาปทาวาอราริกังรูปใหญ่รูปเล็กรูกอดีตก็ตามรูปอนาคตก็ตามรูปปัจจุบันที่มันแวบขึ้นมาีนก็ตามมันไม่เที่ยงรูปทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงรูปทั้งหลายไม่มีตัวตนเกิดและคดับตามเหตุปัจจัยถ้าวิชาเราเยอะมันก็จะ เกิด ต, ต, ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปตามลักษณะของอปัจจัยการหลักของปัจจัยการของการสืบต่อของเหตุปัจจัยแต่ถ้าสติสัมปชัญญะเราดีมันก็ดับได้ง่ายดับได้ไวมันหายไปได้ง่ายในจิตใจแล้วก็ก็หลุดเร็วน่งสิ่งเหล่านี้แหละที่มันเกิดเกิดดับ ในความรู้สึกของเราเนี่ยในสิ่งที่เรารับรู้แล้วเราไม่รู้เท่าทันมันเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ทางอายตนะรับรู้ทางตาก็ส่งมาที่ใจรับรู้ทางหูก็มาส่งที่ใจทางหูส่งที่ใจนั้นเวลาเรารู้สึกตัวนี่ก็เหมือนสากกระเบอือนี่แหละตําอยู่ที่ใจเราเนี่ย คือราลึกรู้มันคิดอะไรเข้ามาเข้ามาอยู่ที่ใจเราตัมให้มัละเอียดคิดมาตามั้มละเอียดราลึกรู้ราลรู้มันก็ไม่เป็นตัวเป็นตนเพราะว่าเราสลายมันอยู่เรื่อยๆอยงไงสลายอยู่ที่ใจเพราะทางตาหูจมูกริ้นกายก็หลุดเข้ามาที่ใจตลอดเวลานะมันส่งมาที่ใจตลอดเวลาความส่งมาที่ใจมันก็ดับที่ใจมันส่งมาที่ใจมันก็ดับที่ใจนะคือเอาสติมาดับ สติเราเนี่ระลึกรู้นั้นทางตาทางหูมันแวบเข้ามาแต่เราจะรู้สึกตัวมันกระดับหายไปจากใจเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่งไรกระดับเกิดขึ้นมาย่างไรกระดับเพราะเราดับอยู่ในใจเราบ่อยๆอยงรเราไม่ได้ดับที่ตาไม่ได้ดับที่หูไม่ได้ดับที่จมูกแต่เรามาดับที่จิตเราเองนะมาดับที่ธาตุที่ขันเราเนี่ยความสําคัญมันหมายมันเกิดที่จิตนั้นการที่มีสติระลึกรู้เนี่ยคือการ การมารู้มาเห็นธาตุเห็นขันของเราเองโดยธรรมชาติเหมือนที่ท่านสอนนั่นแหละนะไม่ว่ามันจะเกิดจากเหตุปัใจจัยในอดีตปุเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยมันเกิดภายหลังก็ดีเกิดก่อนก็ดีเกิดก่อนที่จะมีความรู้สึกนี้ก็ดีมันตามมาก็ดีหรือเกิดขึ้นในระหว่างก็ดีแต่สติเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการรู้เห็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในจิตเราเนี่ยอ ย, ยู่บ่อย มันมาเท่าไรเรื่องเล็กเราก็ดับง่ายเรื่องใหญ่ก็ดับยากนะแต่จะดับน้อยดับยากดับมากดับง่ายก็ต้องทําเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นตัวสั่งสมสั่งสมอารมณ์ให้เกิดขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อใ น, ในใจเราเนี่ยเราต้องเห็นมันนะถ้าไม่เห็นมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็โตขึ้นโตขึ้นประโยชน์ทั้งวันเราตายแนละ้วน่ยมันจะสะสม Q, เรื่อยเรื่อยรอยืความคิดความรูปแต่งเนี่ยเพราะมันเข้ามาทางทางจิตจิตเรา จิตก็คือการรับรู้จิตคือตัวรับรู้อารมณ์วิญญาณวิญญาณก็คือจิตนี่แหละเพียงแต่ว่ามันไปอยู่ทางตาทางหงูทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตนี่เป็นกลางๆเหมือนภาชนะภาษาบ้านเราก็เรียกว่าขันนะขันมันมีรูป ขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารกันคือใจเรามันจะมีอาการแบบเนี้ยมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาตคือมันล่องรอยมีความจําความคิดความปรุงแต่งจิตมันเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่าขันแต่มีลักษณะห้าอย่างเขาเรียกว่าขันห้าภาษาเรียกว่าขันห้าฮั้นเราก็มาเฝ้าดูว่าเออมันเกิดมันดับยังไงใจเราเนี่ยมันเกิดยังไงมันเข้ามาในขันยังไงเราจะเททิ้งยังไงขันเราเนี่ยจะให้เป็นขันว่าง เป็นขันว่าจะคว่าขันไหมหรือจะให้ขันนี่มันเต็มจนเะออกไม่ได้เราไม่เปลี่ยนแปลงนี่เราไม่ล้างขันเรานี่เรามาฝึกสตินี่คือมาล้างใจล้างใจคือล้างขันล้างจิตนี่แหละวิญญาณมันเข้ามาวิญญาณขันเขาเรียกว่าวิญญาณขันรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขัน มันเข้ามาทางรูปเวทนาเส้น ญ, ญาสังขานวิญ ญ, ญาณพอมันเข้ามาปุ๊บมันกระทบปุ๊บอา้าวอันนี้ไปเป็นวิญญาณเนอะเราก็ให้วิญญาณเราบริสุทธิ์กระทบรับรู้แบบบริสุทธิ์นะพอมีสติเฝ้าดูแต่ถ้าไม่มีสติมันจะเกิดความสําคัญมันหมายในสิ่งที่รับรู้นั้นตามลักษณะของความโลภโกรธหลงรักตัวสาม و ه มันจะไหลไปตามทําให้เกิดพอใจไม่พอใจขึ้นมา เราก็บ้าตามอาการที่แล้วแต่จะเป็นเนะ่คือไม่ปกตินั่นเองนะที่จริงจิตมันปกตินะปัจจุบันแต่สักพักมันก็ไม่ปกติมันก็ไหลไปตามกระแสนั้นอันเราก็อาศัยการศึกษาการเฝ้าดูจิตเราอยู่บ่อยๆเนื่องๆนะให้เห็นบ่อยๆว่าโอ้อันนี้เนาะมันเป็นความรู้ที่ลึกๆเนะี่ยคนทั้งหลายเขาไม่เห็นนะความรู้แบบนี้เนี่ยคนทั้งหลายไม่เห็น แต่เรากลับเห็นอันนี้เขาเรียกว่าเราถ้าจะพูดไปแล้วก็คือเรามาตั้งโรงเรียนนเนี่ยมาเรียนรู้มาเข้าสู่ระบบการศึกษาที่เขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยเ น, นี่ยคือมหาวิเลยทางจิตทางใจมหาวิทยาลัยในการดับทุกข์ดับอุปทานเรามีอุปทานเกิดขึ้นในจิตเอาเราก็มาศึกษาดูมันว่าเป็นยังไงมามหาวิเลยในการตัดความคิด ทางโลกเนี่ยเขาเป็นมหาวิเลยเข้าไปในความคิดสอนในคิดมากคิดดีคิดเก่งคิดเป็นคิดมีเห็ุมีผลแต่เขาไม่เคยสอนให้ออกจากความคิดนี่ออกยังไงเขาไม่รู้ทีนี้พอคิดมากๆก็ติดความคิดดิพราะติดความคิดก็ออกจากความคิดไม่ได้นะมันกกลายเป็นความปรุงแต่งไปซะปรุงแต่งแล้ก็ยืดยาวลูกลามไปเรื่อยๆเป็นพบเป็นชาติขึ้นไปนั้นเราปฏิบัติธรรมเราก็มาเฝ้าดูจิตเราเอ้า ที่ไหนเขาไม่สอนเราก็สอนที่ไหนเขาไม่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติเข้าห้องเรียนของใครของมันไม่ได้ไปเรียนไกลค้าเรียนก็ไม่มีกินกฟ็ฟรีทางจุกรมก็กลับไปกลับมาอยู่ในเวียนั่นแหละมีสนามให้เล่นสู้ตายอย่างที่ว่าเนี่ยคือเอาจนกระทั่งว่ากิเลสมันตาย